เกบตกเช้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องการทําทานอย่างไรถึงให้ผลมากเพราะชาวภูส่วนมากทาบุญมทานเนี่ยจะให้ผลจะได้ผลไม่ค่อยมากก็มีอะไรบหลายอย่างที่ไม่ครบองค์ประกอบผู้พูดจะขอยกตัวอย่างการทําบุญที่ไม่ได้ผลก่อนสมัยก่อนทางภาคเหนือเนี่ยมีชาวจีนอยู่สองคนเป็นเพื่อนกันคืออาแป๊ะกับอาโกวันหนึ่งอาโกนิมนตพระมาเจริญพุทธมนฑลที่บ้านอาแป๊ะ ที่เป็นเพื่อนกันเข้าไปร่วมงานด้วยมีแข่งหรืออมามากมายเพราะบ้านอากก็มีฐานะดีหลังจากพักก็สวดเจริญพุทธมนต์เนี่ยหลังจากฉันพรทหารเพเสร็จแล้วพรกก็ให้พรหลังจากจะถาไปแล้วนะให้พรก็อายุวัฒนโกธนวัฒนโกศริวัฒนโกยะวัฒนโกภลาวัฒนโก ว, นนวันณวัฒนโกสุขวัฒนโกอปแปะซึ่งเป็นเพื่อนอาก็เนีน่ยได้ยินเอา ห, หัวใจเต้นตุบๆเลยเพราะว่า อุภาษ์นี่เดี๋ยวนี้ให้พรขนาดที่เจริญเหรอให้พรเออชื่อเจ้าภาพทุกคําเลยแกประทับใจและซาบซึ้งมากหลังจากงานนั้นผ่านไปก็บอกเพื่อนอโกเนี่ยให้เป็นนิมนต์พระชุดนี้ชุดอื่นไม่เอาเราเอชุดนีชด้ชุดเดียวเพราะแกจะเจริญพุทธมนต์บ้างแล้ววันที่เราคอยก็มาถึงอาแปะก็หน้าตาแบบสดชื่นเลยเพราะวันนั้นรับแขกเหลือมากมายหลังจากพระเจริญพุทธมนต์แล้วฉันอาหารแล้วก็ให้พร น่ตอนนี้อแปะรอคอยอยู่พราคก็ให้พร อ, อายุวัตรโกศิลวัตรโกยส า, าวัตรโกภารวัตรโกอแปะเครียดเลยเครียดเพราะว่ามีการเข้าใจผิดแน่เลยจึงตะโกนด้วยเสียงอันดังบอกพระพระพระว่าชื่อแปะนะไม่ใช่โกพระหัวหน้าที่สวดอยู่ก็รู้เลยว่าอาแปะต้องการอะไรจึงเปลี่ยนบทสวดเลย มาเป็นอายุวัฒนะแปะ๊ะธนวัฒนะแปะ๊ะสุขวัฒนะแปะศรีวัฒนะแปะแทนตอนนี้นแปะมีความสุขเลยหัวเราะดีใจอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เข้าใจการทําบุญแบบผิดๆนะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คล้ายกันแหละมีผู้หญิงคนหนึ่งวัยแบบกลางคนวันนี้เธอทอําบุญวันเกิดที่บ้านผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อว่า โตแต่คนส่วนมา ก, กส่วนมากจะนิยมเรียกว่าคุณนายโตเพราะเป็นเมียตำรวจที่บ้านก็มีฐานะดีคุณนายโตก็นิมน์พระครูที่มักคุ้นกันแหละเพราะว่าพระครูกับลูกวัดก็มาบิถิบาลอาบ้านเธอทุกวันถึงมักคุ้นกันอย่างดีก็คุยกันธรรมดาสเประหลังจากจเจริญพุทธมนต์แล้วมาถึงตอนให้พรเนี่ยพระครูเนี่ยวันนั้นเกิดเอื้อนนานไปหน่อย ยัถาวารีวหาปูราปาริปูเรนติสาขังเอวะเมวะอีโตทินังพอได้ยินคําว่าอีโตทินังเนี่ยแหละคุณนายโตโกรธมากที่กวดน้ํานี่กระจายเลยบอกพระครูทํายี้ได้ไงเมื่อครูยังเรียกคุณนายโตอยู่เลยพอฉันเสร็จแล้วเรียกอีโตได้ไงไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยพระครูก็อธิบายบอกนี่เป็นเป็นเรื่องของพี่ตองเธอก็ไปฟังแล้วก็จากไป นับต้งแต่ น, นตั้งตับต้งแนั้นมาเนี่ยคุณอายโตก็ไม่นิมนต์พระครูแล้วก็ไม่ใส่บาทให้พระครูตลอดไปเลยคันปัจเกิดปีต่อมาเนี่ยก็ไปนิมนต์เจ้าคุณวัดจ้าคุณอยู่ไกลกันมากจนเจ้าคุณก็สงสัยทําไมไม่นิมนต์พระครูที่อยู่ใกล้ๆคุณอายโตก็เล่าให้ฟังเนี่ยพระครูนี่ไม่ได้เรื่องเลยตอนก่อนฉันก็เรียกคุณอายโตตลอดตลอดลมาเรียกอีโซเนี่ยเจ้าคุณก็รู้ว่าคุณนายนเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ แล้วเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลถึงใจบุญจริงแต่อัตราตัวตวนเยอะจึงรู้เลยว่าต้องทำยังไงคั้นถึงเวลาเจริญมุทธผลเสร็จใกล้พรเจ้าคุณก็ให้พรยับทาวลรีวาหาปูราปริปุเลนอิสา้าลังเอวะมเมวะคุณนายโตทินังโอ้คุณนายโตบอกต้องอย่างนี้ดิชอบใจอันนี้คือความเข้าใจผิดแล้วก็การตั้งใจผิดตั้งจิตที่ผิด ของการทำบุญนะทำบุญเหล่านี้จะไม่มีผลมากการทำบุญที่มีผลมากเนี่ยเดีย๋ยวพูดเล่าจะค่ยอยๆทยอยเล่าให้ฟังเมื่อไม่นานเนี่ยก็ได้ดูคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งดูคลิปนี้ประทับใจมากเกิดเหตุเกิ ด, ก ด, ก ด, กดที่ประเทศจีนพวกท่านอย่นึกภาพเลยนะเพราะว่าเหมือนรับแม่น้ํนลาลาบะทาวอะไอตรงช่วงกุดงงกับช่วงบ้านใหม่อะ่ะแล้วจะเข้าใจเรื่องเสด็จมาพูดคือน้ําคือฝนมันตก ตกอยู่แบบตกมากอะ่ะจนทำให้น้ำเนี่ยท่วมแล้วก็พัดสะพานเนี่ยขาดพอทางขาดเนี่ยคนในหมู่บ้านก็ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เพราะว่าทุกคนต้องใช้สะพานในการเดินทางไงก็มีผู้หญิงสองคนเนี่ยพี่น้องกันผู้หญิงสองคนเนี้ยก็เสียหละโดยไปตัดไผ่มาทำเป็นสะพานความกว้างก็น่าจะประมาณสิบท่อนอะ่ะสิบท่อนไผ่ใหญ่แล้วก็มีขั้นตอนละเอียด อีกมากทําเป็นวันเลยเพื่อให้สะพานเนี่ยสําเร็จและแข็งแรงสามารถให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเดินไปมาได้สะดวกโดยรู้จักได้จากเหนื่อยซึ่งก็จะเหมือนกับที่ที่พระเราเคยไปทำเน่ยที่สะพานขาดนี่เต็มผู้หญิงสองคนร่วมกันทําแต่ผู้หญิงสคนนี้เก่งมากนะการตัดไผ่จะเป็นงานยากแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจะต้องมีฝีมือทั้งทําสําเร็จด้วยทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเดินเข้าเดินออกได้สบายไปไหนมาไหนสะดวกอันนี้เป็นบุญที่มีนิสสงมาก เขาเป็นการเสียละเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวผู้ทาก็มีความสุขคนที่ใช้บรินนการก็มีความสุขและเป็นบุญที่ติดอยู่จิตไปนานเป็นบุญส่วนรวมที่บุญใหญ่บุญใหญ่เนี่นคือทำเพื่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทําถนนทําถนนขุดอุโมงคหรือทําประโยชน์กับส่วนรวมให้ส่วนรวมได้ใช้ได้อาศัยเนี่ยบุญนี้คลิกมาเนี่ยก็มีความสุขเสมอเพราะมันเป็นล่องลอยแห่งการประทับใจติดอยู่ในจิต แต่นนี้ก็เป็นบุญธรรมดานะเป็นบุญแบบโกโลกอ่ะแต่ถ้าบุญแบบที่ยิ่งกว่านั้นน่ะสมัยพุทธกาลมีสาวใช้อยู่คนหนึ่งชื่อว่าปุนา mm hmm. เธอก็ทำข้าวอยู่บ้านเศรษฐีเศรษฐีก็ใช้งานเธออย่างหนักเลยวันหนึ่งก็ใช้เธอทำข้าวเนี่ยจนถึงกลางคืนเธอก็ต้องทําอ่ะระหว่างที่เธอทาข้าวไปเนี่ยเธอก็เห็นแสงไฟอยู่บนภูเขาซึ่งไม่ไกลจากที่นั่นอ่ะ สถานที่เธออยู่ก็คือเมืองราชจะคือบนภูเขาเนะ่ะก็เห็นแสงไฟที่พระมน้าของสงฆ์เธอก็ระพึงระพันมาว่าเราเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นส่วนพระคุณเจ้าไม่ได้ดับไม่ได้นอนเน่ยจะถูกความทุกข์บีบคั้นเหมือนกันหรือเปล่าหนอหรือภิกษุรูปหนึ่งรูปใดรูปหนึ่ง อ า, าพาธนางก็คิดแบบเนี้ย ถ, ถึงตอนเช้านางก็เอาลำเนี่ยมาทําเป็นขนมข้าวจีไว้สำหรับทานก็คือคนชนจนพระฤาษีทำอะไรทําเสร็จนางก็พกข้าวจีเดือติดตัวระหว่างทางก็เจอพระพุทธองค์เสร็จมาบินฑบาตนางบุนาเจอพระรูปเจ้าหลายครั้งแล้วเธอคิดในใจ เราเจอพุทธองค์เนี่ยทุกครั้งไม่มีของจะทําบุญมาวันนี้มีของจะทําบุญแต่ใจนึ่งก็มองว่าพุทธองค์จะรับของเราไหมหนอเพราะว่าลําเข้าจีเนี่ยมันเป็นของไม่ปานนี้คือของเศ้าหมองคิดไปคิดมาแต่กตัดสินใจคันใกล้พระองค์เนี่ยก็ก้มกราบแล้วก็ขอให้พระองค์เนี่ยรับรับของจากนาง เพื่อนุเคราะห์พระพุทธองค์ก็รับแลน้นการธธา อ, อธิษฐานอธิษฐานแล้วขอมีส่วนในการเห็นธรรมในปัจจุบันทันตาด้วยเถิดพระพุทธองค์ก็ตัดให้พรว่าเอวังโหตุทานนี้จงสำลิดผลสมปทานาเถิดหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เดินไปแต่นางบุญนาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าพระพุทธองค์เนี่ย ลับบาทของนางเนี่ยด้วยความเกลีใจหรือเปล่าเพราะว่าลําเข้าจีเนี่ยอาจจะไม่ทานก็ได้อาจจะไปโยนให้หมาหรือกาข้างทางก็ได้นางก็เดินตามพระุดรงไปแหละทางห่างพระุดวงรู้ว่านางคิดอะไรอยู่จึงหาที่ประทับแล้วก็เสวยลําเข้าจีของนางนางบุญนาเนี่ยอยู่อยู่ไม่ไกลเห็นพระดวงเสวยเนี่ย เกิดปิติตื้นตนใจมากเลยพระธู้อมก็ให้ผ้านอนเนี่ยตามนางเข้ามาแล้วก็ตัดว่าปุนาเมื่อคืนเนี่ยเธอดูหมินสาววกของเราเหรอนางสะดุ้งเพรหม่อมฉันไม่ได้ดูหมินเอาแล้วเมื่อคืนเธอพูดอะไรขณะมองมาที่ภูเขาหม่อมฉันลำพันว่า เราไม่ได้ดับแม่นอนเพราะถูกคัาทุกบิบขั้นพระคุณเจ้าไม่ได้ดับแน่นอนเพราะคงถูกคัาทุกบิบขั้นเหมือนกันหรือไม่กรอาพาธพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าปุนาเธอไม่ดับแน่นอนเพราะถูกความทุกบีบขั้นแต่สาวกของเราเนี่ยมีความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอจากนั้นพระพุทธองค์เนี่ยก็แสดง สโลปธรรมมสั้นๆให้เธอฟังสำหรับผู้มีจิตตื่นเสมอใฝ่ใจศึกษาทุกที่พาลาตีมีใจมุ่งตรงสู่พระนิพพานอาสวะย่อมอดทานหมดสิ้นไปหลังจากจบพธธัฒนาเนียนางบุญนาเ็เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันทันทีเลย นนีคุ้มนี้กับคุ้มอีกแค่ถวายลำข้าจีแค่นิดหน่อยได้เป็นส่วนับแต่มันก็มีองค์ประกอบด้วยนะว่าทำไมถึงได้ผลมากองค์ประกอบสามก็คือหนึ่งผู้ให้ของเนี่ยของนั้นต้องบริสุทธิ์สองเจตนาก่อนจะให้กำลังให้แล้วหลังจากให้แล้วจะต้องไม่เสียดายมีความเลื่อมใสไม่เสียดายและสาม ผู้รับจะต้องบริสุทธิ์มีศีลมีธรรมเช่นพระพุทธองค์หรือพระอราหันต์สาวกพระองค์ประกอบครบเนี่ยบุญนั้นจะมีที่สูงมากอย่างเช่นนางบุณาเนี่ยที่ได้บรรลุตาทำเป็นโสดาบันแต่การธิษฐานของของนางเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแนะเพราะคนอื่นน่ะอธิษฐานไม่เหมือนนางกุณาหรอก ท, ทั่วไปอะอย่างชาวพุทธท่ิส่บาทก็ขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้มีโชค ขอได้คู่ครองที่ดีอะไรเงี้ยเรื่อยไปแต่ของนางบุญนานเนี่ยขอให้มีส่วนร่วมในการเห็นธรรมในปัจจุบันทันตาซึ่งก็ได้ผลด้วยแต่คนที่แบบนางบุญตา ก, ก็มีน้อยนะอย่างตัวผู้พูดเองเนี่ยเวลาไปไปเจดีพระธาตุต่างๆเนี่ยก็อธิษฐานขอตัวเองบรรลุ ธ, ธรรมมีดวงตาเห็นธรรมออกจากกองทุกได้ทุกครั้งเจดีประเทศไทยเนี่ยก็ไปอธิษฐานแทบทุกพระธาตุซึ่งไม่เคยอธิษฐานให้ตัวเองมีโชคลาภ มีลาภสกระมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆแต่มันก็มีข้อดีทําให้ตัวเองเยอยู่ในทางไม่ไปห ล, หลงหลงไหลในอำนาจชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆที่จอมปลอมเพราะทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเนี่ยทรัพย์ภายในมีค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกเสื่อมได้เสรษฐีก็กลับมายากจนได้แต่ทรัพย์ภายในเนี่ยมีแต่เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพระฉะนั้นคนมีปัญญาจะหาทรัพย์ภายในจะไม่เอาทรัพย์ภายนอก ถึงเสื่อมได้แล้วก็พองหาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะจิตคนเราเนี่ยพองอยู่เป็นนิดเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มหรอกสทีที่ทำได้คือเอาออกอย่างธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกับทางโลกนะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งเราขยะออกขยะที่จิตใต้สมณนิชเราสะสมไว้ความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ที่แอกุศลต่างเนี่ยถ้าเรายื่นออกไปเท่าไหร่เนี่ยจิตเราก็เข้าถึงธรรมะได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่เอาออกเอาเข้าเราก็สะสมขยะจิตเราก็หนักปิดกั้นธรรมะด้วยบุญที่บุญและทานที่มีนิสงมากนะก็คือ การสละอารมณ์อกุศลมันจะเป็นความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาหึงหวงพยาบาล ท, ทุกชนิดแหละอัตตามานะตัวกูของกูอะไรพวกเนี้ยให้แก่ให้กับธรรมชาติไปทุกครั้งที่เรามีความสึกตัวเห็นความคิดที่บ้านเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็สละอัตตาตัวๆได้หนึ่งครั้งสละอกุศลความโลภเกิดขึ้นมาจิตใจอ้าวเห็นแล้วก็สละไปความโกรธเกิด ข, ขึ้นมาก็เห็นแล้วก็สละไปความทุกข์ หรืออารมณ์อาขุศลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีฝาสุกตัวนะไม่มีสติเนี่ยเราก็จะจมแช่ในอารมณ์ปูอาขุศลปิดกั้นหมดเลยจมเหนื่อยโลภความคิดเหมือนวังวนออกไม่ได้พอความคิดเวียนวนออกไม่ได้ก็ทุกข์บางคนจะเป็นหนักถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีหรือไปทําร้ายผู้อื่นก็มีเบีบเบียคนอื่นก็มีคือต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากการยึดถือตัวกูของกูหรือตาตัวตนด้วนนยแหละ เป็นตัวกาใหญ่เลยเพราะคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติจะยึดถือตัวกูของกูอยู่นั่นจึงเป็นการยากที่เราเนี่ยจะมาสละอัตราตัวตนมาลดตัวตนถ้าเราตัวตนยิ่งน้อยชีวิตเรายิ่งมีความสุขเข้ากับธรรมชาติได้ง่ายๆแต่ถ้าตัวตนเราใหญ่ใครมาว่าเราใครมาตําหนิเราเราก็ทุกข์แล้ว เรื่องตัวตนจะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยจะต้องเรียนรู้เขาเป็นเรื่องภายในจิตใจเพราะธรรมชาติของธรรมะเนี่ยก็คืออนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอตัวตนมันเกิดขึ้นพราะความคิดบรรจงมาแล้วเราก็สร้างสพตัวตนของเราเองด้วยการยึดถือมาตลอดพอเราไม่รู้ความจริงว่าที่จริงเราทาไม่มีตัวตนแต่แรกแล้ว แต่ถ้าเรายึดถือเราจะมีตัวปิตนพอมีตัวปิตนเนี่ยกิเลสอื่นกตาย ม, มาทุกชนิดเลยเพราะตัวตนเป็นที่ตั้งของกิเลสทุกชนิตแต่เละตัวตนเขอค่อยละไปอค่อยละไปเนี่ยกิเลสไม่มีที่ตั้งก็อค่อยน้อยลงน้อยลงการรื้อบ้านทิ้งก็คือรื้อตัวตนนั่นแหละอัตราตัวตนแต่การจะลื้อได้ก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวความคิดเกิดขึ้นมา ก็สัมผัสรู้สัมผัสเห็นแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยเราก็อยู่ใต้อำ น, นาจความคิดปรุงแต่งความคิดมันก็ใส่หัวเราไปทำรู้ทานี่บางทีอยากกินอะไรก็ไปหาดิ้นรนสแสวงหาไม่ยอมหยุดหย่อนเลยมาเติมคือมาหาเรียนความคิดแต่ถ้า ร, ารู้ว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ให้โทษไม่เกิปดประโยชน์อะไรเลยความคิดบางทีมันคิดวนคิดเวียนคิดสร้างอนาคต ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะบางทีหรือคิดถึงอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะนํามาซึ่งความทุกข์ก็แหละเสียพลังงานด้วยแล้วก็ไร้าสาระไร้กันสารแต่ถ้าเราอยู่กับความรู้ตัวเนี่ยออกจากโลกความคิดเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นฝาดไปไม้ไปรู้สึกตัวแต่ถ้าเราฝาดไปไม้เนี่ยหรือทํางานต่างๆเนี่ยอยู่ในโลกความที่ปรุงแต่งแล้วก็ทําไปคิดไปทําไปคิดไปอันิสง์ของการทํางานก็ได้ไม่ค่อยมาก เผื่อบางคนเนี่ยฝาดใบไม้ไปด่าไปด่าไก่ก็ได้ไปด่าลมลมที่พัดมาอ่าเมื่อกี้ฝาดใบไม้ถนนเกี้ยงแล้วเอาถนนสุขประบแล้วลมมันเป็นเหตุดินฟ้าอากาศเป็นเหตุหรือแม้กระทั่งพวกไก่พวกต่างๆเป็นเหตุหรือถนอนสะอาดเดียวหมามาขี้อีกลโกรธไม้ฉิตเบิกุศซอีกแต่ถ้าเราวางใจวางใจเป็นนะทํางานอะไรก็เป็นบุกุศซหมดเห็นขยะตกก็เก็บ เดมาให้ใครบอกเห็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อกลัวคนแก่มาเดิเดนไปแล้วตกขาเด้งหรือเห็นถนนลื่นเราก็ทําให้ถนนไม่ลื่นช่วยคนให้ได้รับความสะดวกเห็นกิ่นกิ่งไม้ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยระดับสายตาเผลอถ้าคนเดินไม่ดีเนี่ยทิ่มตาบอดได้เราก็ไปตัดออกทําให้คนอยู่ได้รับความสะดวกเื่อ เ, เป็นการ ล้างถ้วยล้างจานทํางานต่างๆเนี่ยถ้าเรามีความสุกตัวกับฐานกายนะเราสามารถต่อยอดได้เลยทํางานไปรู้สึกตัวไปจนเป็นจนเป็นนิสัยเผลอคิดไปแล้วเอา้ากลับมารู้สึกตัวเราสังเกตดีให้ดีๆนะเวลาเราคิดเรื่องอกุศลเนี่ยคิดด่าเขาด้วยอะคนนี้เนี่ยตอนนั้นเน่ยเราไม่มีสติล้วเราเผลอเข้าไปโลกความคิดปรุงแต่งหรือเผลอหลงเข้าไปอยากเป็นรู่อยากเป็นนี่อะตอนนั้นเราเผลอสติอีกละ แล้วกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวคนที่ฝึกเจติตวิญญาณใหม่เนี่ยจะไม่ค่อรู้สึกตัวหรอกเพราะว่าเราสะสมความหลงมาทั้งชีวิตมันมีกําลังมากเพราะการเจิติเนี่ยรเราทำไม่นานเนี่ยกําลังมันยังอ่อนก็ เ, เปรียบเหมือนแมวตัวเล็กจะสู้หนูก็ไม่ได้หนูหนูไม่ใช่มีตัวเดียวนะหนูความคิดที่ฝ่ายกุศลเนี่ยมีเพียบเลยแต่แต่ถ้าเกิดแมวเริ่มโตเริ่มโตเนี่ยเราเห็นความคิดถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย น า, นานเห็นทีน า, นานรู้สึก ต, ตัวทีเนี่ยพอเราเห็นทีขึ้นเห็นมากขึ้นเนี่ยจิตใจเลยจะเปลี่ยนเลยเราจะรู้ลเลยเฮ้ยเมื่อกี้เราเนี่ยถูกล้มหลังครอบงาําเผลอไปละไปอยู่กับอารมณ์อกุศลไปคิดเรื่องคนโน้เรื่องคนนี้ไปเพ่งโทษบ้างไปมองคนอื่นบ้างไปมองเรื่องนอกตัวเพราะเราเผลอแต่เรากลับรู้กตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดกับเราเลยโกรธเกลียรักชังต่างๆอารมณ์ทุกชนิดเนี่ย มันเกิดจากวาเราเผลอไม่รู้สึกตัวอารมณ์ที่ปกติเนี่ยคือศีลแล้วก็มีอันที่สงมากเลยอารมณ์ที่ปกติตากับอารมณ์ที่ขึ้นๆล ง, ลงฟูว่าแฟบตามที่อารมณ์ความคิดปรุงแต่งทาให้เนี่ยแต่คนชอบความคิดปรุงแต่งนะเพราะว่ามันเพนลินดีไงแต่เราก็เห็นมาแล้วมันเป็นโทษมันเป็นว่าตงสงสารที่ไม่จบไม่สิ้น ถ้าผู้มีปัญญาต้องหาทางออกจากความที่ปุงแต่งไม่ตกเป็นทาสของมันแต่ถ้าคนมีปัญญาก็จมเลยจมแช่อิ่มเลย mm hmm. เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกพอไม่คิดจะออกฟันรู้สึกตัวอะไรเป็นกุญแจที่จะเปิดทางออกให้เราเราก็ต้องฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆถูกใครตัวมันนะเรื่องฝึกแหละทำบ้ะของใครของมันช่วยกันไม่ได้ถ้าใครไม่ฝึก เราอยู่ในโลกความปริปุงแต่งถ้าใครฝึกก็ออกจากโลกความปริปรุงแต่งเมื่อนั้นเราก็เป็นอิสระได้เพราะฉะนั้นกวามเป็นอิสระเนี่ยจึงเป็นสุขแต่ถ้าเป็นท่าเละเป็นทุกข์บางคติการบนานติดไพ่ติดยาติดอะไรทุกีย่างขาบัติดนี่ไม่ดีหมดแหละเพราติดเนี่ยมันก็ออกไม่ได้บางคนติดหนักเนี่ยก็โหเสียผู้เสียคนในชีวิตที่ผ่านมาก็เห็นเห็นเรื่องพวกนี้มาเยอะการทําทานที่มีที่ส่งมากคือการ มีความรู้สึกตัวออกจากความที่ปรุงแต่งทําบุญให้ทานอารมณ์ทุกชนิดให้กับธรรมชาติไปยิ่งให้ทําบุญทําทานให้อัตตาตัวตนมากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นมั่นคงในธรรมนะแต่ทางโลกเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงหรอกอาจจะยากจนอยู่แบบง่ายๆไม่ได้สุขสบายต่างกับคนที่ที่โลนทางโลกหวังล่าําหวังรวยหวังราชกุ า, กาผู้ที่จะอยู่สบาย มีชืเสียงเนี่ยแต่คนที่ฝ่ายทำเนี่ยจะอยู่แบบง่ายๆชีวิตไม่ค่อยตามกระแสะโลกเท่าไหร่ไม่คุกคีกับบุคคละอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาอย่างไงเราก็ต้องอยู่คนเดียวอะ่ะเป็นวิตรตัวเองถ้าเกิดคนที่ชอบคุยคนนี้อยู่ตัวเองไม่ได้เนี่ยเรื่องธรรมะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดหรอกเราต้องเป็นที่พึ่งออตัวเราเองให้เราก็ต้องฝึกไว้ให้มีความรู้สึกตัวให้อยู่กับปัจจุบันให้มีความมั่นคงภายในอันนี้การทําทานทําบุญจึงมีที่สูงมาก มาพูดมาเห็นว่าสมควรกับเวลาก็อขอยุติแพลงเท่านี้ขออนุญาตโยมมีความถุกมีจจฝากาเจริญธรรมยิ่ึ้นไปเอวัง